ประธานในพิธีท่านเอกทองคําศรีโยทินที่เคารพอย่างสูงและท่านสาธุชนผู้ใกล้ธรรมที่เคารพ เรียกว่าน่าจะเรียกว่าจิตตะปรมัตถ์เนื่องจากว่ากลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะมาศึกษาอบรมนั้นน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้อบรมในหลักสูตรก่อนหน้านี้มา ก็จึงได้ตั้งชื่ออย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางเนื้อหาจริง ว่าเรานั้นคือใครกันแน่และมีความเป็นมาเป็นเกิดในสถานที่ที่ทุรกันดารแต่ ดังนั้นก็อยากจะเรียนอ่าซ้ําจากที่ท่านประธาน ถ้าท่านฮะว่าจะมีใครที่ฟังแล้วครั้งที่ 1 ก็ 2 ก็แล้วชั่วโมงที่ 2 ก็แล้วฟังยิ่งฟังแล้วยิ่ง 300 ก็ให้รู้ไปแต่ แล้วก็ได้คลุกคลีกับเช่นผู้เผยแผ่นักเผยแพร่ศาสนาพุทธถ้าเป็นผู้ คือไม่ค่อยจะมีลูกศุกติเรียกพูดง่ายๆว่ามือค่อนข้างจะสะอาดพอสมควรอันนั้นน่ะท่านถือ สาธุชนชาวพุทธที่เรียนพระภิกขุธรรมจนกระทั่งเข้าใจแล้วจะ ดังนี้เอ่อการบรรยายวันนี้นะผมจะไม่ท้าวความให้ไกลเรื่อง อ่าคือว่าเล็กๆกระทั่งในบางส่วนนั้นเราอาจจะไม่เชื่อว่า ในเบื้องต้นที่สุดของพระอภิธรรมแต่ที่ท่านประธานได้กล่าวให้ท่านได้ทราบ ที่สาธุชนพุทธบริษัทควรจะดําเนินชีวิตเข้า 4 นั้นท่านเริ่มด้วยจิตปัญหาว่า ก็เป็นเรื่องของจิตตวัตคือกล่าวถึงเรื่องจิตอันในที่นั้นได้แสดงความสําคัญของเรื่องจิตที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่าง ไปจรัสตาตะวันตกที่ไปอยู่ในลังกาเมื่อสมัยศกูนี้เรื่องเรื่องจิตที่ๆ ในทางพระน่ะยืนยันอย่างนั้นแต่ว่าในประสบการณ์เรานั้นเราอาจจะถือเอารูปรังนาตาเอาเงินเอาทองเอาเกียรติยศชื่อ <c oughs> ธรรมะที่แสดงหลักปฏิบัติเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นที่แสดงหลักปฏิบัติแม้ว่าใน บางจริงเป็นบทฝึกจิตบทหนึ่งที่ฝึกจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างใน ลอดมากน้อยแค่ไหนนั้นมากน้อยแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่ความอาการอย่างรากลึกของคุณธรรมความสามารถที่เราได้อบรมให้เกิดขึ้น มีความหมายในส่วนสําคัญอยู่อย่างหนึ่งท่านว่ารอบๆตัวในทุกเมื่อเชื้อวันนั้น บางคนนั้นเกเรมาตั้งแต่เด็กบางคนนั้นถนัดใน ที่เรียกว่าเป็นบารมีสำหรับในผู้ที่ตั้งใจจะฝึกตนให้ดีอย่างกรณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่ท่านเข้าใจใน แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่าๆแล้วนี้ในพ้นจิตอ่ะอย่าง นะอ่าในหมู่คนก็เช่นเดียวกันครับเราจะเห็นว่าบางคนนั้นนักปราชญ์บางคนนะเนี่ยอันก็เรียกว่าเป็นปราชญ์มาตั้งก็ยิ่งเรียกว่า อ่าทางมาดารานะฮะดารานักร้องดารานักแสดงพอแก่ตัวก็ก็หมดราคากระวะเราให้ เป็นกลไกเกิดของประโยชน์ทั้งปวงถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีเนี่ยเช่น อธิบายอย่างในทางธรรมะเห็นชัดๆแต่อาจจะ เป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้ได้แต่ถ้าท่านก็ไห้ประโยชน์ ถ้าพลื่นจิตมีแล้วก็มาเกิดในชาตินี้มีอาวรณ์แปลว่ามีเครื่องกั้นคือเป็นเรื่องของ ซึ่งเป็นบ่อตาของพระพุทธเจ้าตายแล้ว ก็ได้กําหนดถึงชื่อของจิตอันนี้ว่าชื่อของจิตเรายังจะเข้าใจคือบางทีเราก็นึกว่าวิญญาณเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนละเรื่องจิตเมื่อมาทําหน้าที่รู้อารมณ์ที่ เมื่อเราคิดนึกเรื่องต่างๆเราคิดนึกเรื่องต่างๆท่านก็เช่นมโนบ้างหทัยบ้างมนัสบ้างแต่ สั่งสมนิสัยที่ได้ยกตัวอย่างไปสั่งสมนิสัยแปลว่าจิตใน ชีวิตนี้และพบชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะปฏิบัติธรรมในสาย นิสัยยกตัวอย่างเช่นไม่ดีเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราฝังสงความโกรธโกรธทุกๆทํามากๆ เราไม่ได้แผ่เมตตาสักแต่ว่าสักเกสัตตาอย่างง่ายๆนี่ กำลังจิตที่แรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะสกัดกําลังของโทสะที่เรา การฆ่าสัตว์นี่ต้องฆ่าด้วยโทสะเอ่อก็ก็สามารถจะเปลี่ยนได้นี่แปลว่าพุทธเจ้าได้ทรงก็พลิกนิสัยได้เอ่อจากหลัก ถ้าปัญหานั้นอยู่ในขอบเขตที่หลักทฤษฎีทางพระภิกขัมจะพึงจิตแปลว่าสังสมอีกอย่างหนึ่งสังสมกรรม อ่าเจ่นๆเราไปฆ่าสัตว์หรือไปโคดไปติดด้วยติดเป็นนิสัยด้วยและนอกจาก ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเอ่อเราเรียนรู้ธรรมะเรียนพระภิกษุธรรมเรียนเรื่องกรรมมาเราก็มองออกในแง่ เติบไปทําบาปเรื่องน้ําไว้เวลาเราอาจจะเคยได้ยินบางคนมีบ่อ อ่าตอนเนี้ยเราก็รู้ว่านี่เป็นเด็กๆก็ดีนแต่มาเห็นกับตาก็ตอนนะพูดเป็น ผีน้ํามาผีน้ํามาบอกกลัวแล้วอะไรล่ะพูดไปตามภาษาของเนี่ยเอลูกหลานก็มานึกทบทวนลูกหลาน แกไปทําบาปเรื่องน้ํามาจริงๆพี่พรรณเห็นก็เคยเนี่ยมันสังสมมาอย่างนี้นี่ สวดมนต์เฝ้าว่างเมื่อไหร่สวดมนต์ทันทีได้ยินบ้างไม่ท่านตัวนี้ท่านเป็นชาวพุทธมหายานท่านเป็นคนจีนๆเตียงบอก มาแล้วองค์นั้นก็มาองค์นี้ก็มาและหน้าตาแจ่มนี่ ได้มีอํานาจในทางกรรมคนอย่างนี้เมื่อตายแล้วเราก็ลายนั่นกูจะเคยได้ยินเอานี้โป่ง ถ้ากรณีทําบาปเพราะมากช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมก็ต้องตายนะกรรมที่ดี ถึงละอันตรายน้อยสะสมลงไปอย่าดูถูกบุญว่าเล็กน้อยโลกิยตาอย่าง ที่จะกว่าบังคับจิตของเราให้เคลื่อนไหวลงไปในทางที่ถูกที่ควรก็จะเป็นประโยชน์แก่เราเป็นอย่างยิ่ง อ่าใครถ้าเป็นคนสั่งสมทานบารมีมาหนักก็ นะครับหรือบางคนน่ะอาจจะลาร่ํานะหรือสุขภาพไม่ดีอย่างนี้แปลว่าคนคนนั้นสั่งสมคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยเราเรามองออกเลยตามหลักเหตุผล จริงไม่แก่นะครับที่บางคนร่ํารวยแต่ว่าโง่ถูกคน ทั้งตัวครับเรียกว่าจะชี้ไปทางไหนก็มีตลกเต็มตัวหมดก็คงจะมีศีล แต่ในในทางหลักการเกี่ยวกับเรื่องจิตปรมัตถ์เนี่ยเราจะพบชื่อที เราก็จะต้องหลับกันทุกคนในทางธรรมะได้บอกว่าแม้กระทั่งตื่นอยู่ อ่าได้เรียนรู้ได้ฝึกหัดได้ดูอะไรแล้วภาวังกะจิตน้อยคือหลับ รับการถ่ายทอดได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็คือบางคนเนี่ยต้องๆเป็นคน แสดงว่าคนฟังคนนี้เค้ามีขีดความสามารถทางจิตมีการหลับน้อยดีกว่าคนพูดก็แล้วกันเท่าว่าอย่างนั้นน่ะก็อาจจะชมให้ฟังอย่างอาจารย์นิสานี่คนนึงคือเป็นคนที่ฟังตาแป๋วดีนะแต่ไม่ได้อะไรเวลาสังเกตแต่บางคนน่ะค่อนข้างจะแหมถ้าวันไหนเรื่องๆก็ซึมไม่รู้ ถ้าพูดอย่างในฐานะที่ผู้บรรยายนั้นต้องไม่ไม่โทษคนนะเดี๋ยวจะไปโทษว่าให้คนนั้นหลับคนนี้หลับเอียงผมผมไม่ได้โทษท่านจะหลับก็หลับไปเถอะแต่หน้าที่ของ ที่ขึ้นทํางานในขณะที่เราตื่นเนี่ยแปลว่าจิตขึ้นวิถีแล้วเวลา นั่นถ้าคนไหนที่เป็นคนชอบนอนนอนมากแล้วเราเห็นว่า หรือมึกคิดเรื่องต่างๆก็ดีนึกคิดเรื่องต่างๆก็ดีจิตๆเลย ขณะที่ 2 เป็นอย่างไรขณะที่ 3 เป็นอย่าง 4 เป็นอย่างไรกระทั่งแปลความได้ไม่ชอบใจหรือเกิดความรู้สึกที่เป็นศรัทธาเกิดขึ้นแต่ ตั้งแต่หัวจรตาจะได้รับ พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเนี่ยอย่าไม่รู้เจ้าเวลาท่านเป็นโรคท่าน ชนิดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อปัญหาเฉพาะหน้านั้นให้เกิดเอาๆเนี่ยสมาธิช่วย ที่มีผลต่อร่างกายมีผลต่อร่างกายซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตของเราแต่ กลับผิดชอบหรือเฉลียวในส่วนนี้เลยเริ่มสนิทเลยครับแต่พอมาเรียน ปฏิสนธิจิตภวังคจิตนี่เป็นจิตเกิดครั้งแรกกลุ่มจิตยังมีการเกิดที่เราไม่พูดถึงกันในทางโลกเลยละอย่างแต่ละ ก็คือการเกิดครั้งแรกของเรานั้นคือการเกิดครั้งแรกของเรานั้นนอกจากแล้วท่านยังว่า แต่ว่าทางนําทางธรรมเนี่ยถ่ายทอดกันจริง ก็มีบางคนก็มีศีลมีธรรมกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้ง เคยเคยทําบาปเช่นผมที่ผมรู้จักคนหนึ่งแต่ผมก็เพิ่งมารู้เมื่อคืนนี้ว่าเมื่อเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วก็อะไร หมดโลยไม่มีมีโอกาสไม่มีโอกาสจะได้ 10 ที่ผมรู้จัก 10 ที่คลอดออกมา อาจารย์เรียกว่าหมดเวรหมดกรรมนะเลยกลายเป็นลูกที่พ่อแม่อ่ะอย่างในสมัยพุทธกาลก็ ไปทำลายพันธุ์สัตว์ไว้สัตว์ป่าสงวนเลยปกก่อนไม่ได้สงวนหรอกจับสัตว์กินหมดแหไข่นกไข่อะไรทั้งหลายแหล่พอไข่หมดก็กิน เอ่อนี่เป็นเป็นเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ทรงรู้นั้นเราเองเนี่ยอาจจะได้ลูกไม่ดี มีลูกสามคนลูก 3 คนแต่คนโตนี่เจ้าอะไรก็ให้ทุกอย่างซิ้นดีเลยเลวจน ได้อุปกรณ์ในการสร้างความเลวเลยส่งไปอยู่เมืองนอกนี่เค้าก็บอก ยังมียังน้อยไปฝากเอานะยังนี้ยังน้อยไปผมก็แนะนําคงบอกว่าวิธีแก้เนี่ยที่เคยแนะนําคนอื่น <laughs> ผมก็แนะนําอย่างนี้บอกว่าถ้าจะให้แน่ <c oughs> ไอ้เราดีแล้วหลังเรามาเปลี่ยนเราดีแล้วแต่ว่าของเก่าทําไปแล้วนี่ใช่มั้ยไอ้ลูกคนที่ 1 ก็มาตาม คนมีบุญมาเกิดแล้วมีบุญจริงๆคนนี้มีที่ชวนชื่นใจมากผมก็ได้เห็นหน้าแล้วก็ได้ถามเอ่อเค้าเป็นระยะระยะของบิดามารดาเป็นอย่าง ในจังหวะที่ดีก็เลยได้ลูกดีเพราะฉะนั้นคนบางคนอาจก็มาเกิดกับเค้าก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ไม่ดีแต่ ก็จะกลายเป็นลูกลูกพ่อหรือลูกแม่เลย จะเดินทําหลายอย่างเพื่อควบคุมจิตของเรานะขอพักการประชุมจะจะ 15 นาทีขอทําความเข้าใจนิดนึงนะครับเกี่ยว แล้วก็จะบรรยายให้จบก็จะบรรยายให้จบแต่ว่าการบรรยายในครั้งแรกนี้ ที่จําเป็นมากอย่างในคราวหน้าเป็นต้นไปผมนี่นะ 89 ก็จะมีชื่อเฉพาะจิตแต่ เอ่อก็ไม่บ่อยนักหรืออรหัตตมรรคจิตอ่ะที่ที่เรียกอย่างๆก็คงจะเคยได้ก็เคยได้ยินแต่พอมาเป็นพระภิกษุธรรมแล้วก็ สำหรับสภาพของจิตนั้นจําเป็นต้องทราบไว้ก่อนนะครับว่าสภาพของจิตที่อธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วทั้งในพระสูตร แต่เป็นรูปธรรมที่เป็นทิพย์เป็นรูปธรรมที่เป็นทิพย์ที่เกิดด้วยโอปปาติกะกําเนิด แต่มีร่างกายละเอียดปิดที่จะห่อๆของเรา เป็นนามธรรมมองไม่เห็นฟังด้วยหูดูด้วยตาลิ้นด้วยรส ตาเทวดาเทวาตาเรานะเอาเวลาเราบริหารร่างกายในความเป็นมนุษย์เราจะ โลกบ้านต้องมีเชื่อมแต่ว่าถ้าเป็นผู้มี จึงมีสักกายภาพสูงทําให้เกิดรูปร่างก็ได้ทําให้เกิดสีเกิดแสงก็ได้สีแสงที่ นั่นคำว่าจิตในความหมายที่เราชอบทั่วๆไปในทางพระภิกขัมเมื่อถามว่าจิตคือ เมื่อรู้คิดในสิ่งเดียวกันแล้วเนี่ยจะมีทัศนคติออกมาจากจิตนั้น 10 คน อันนั้นยามรู้อารมณ์อารัมมณวิจารรู้ในเรียกว่านี้ไม่ได้แปลว่ารู้อย่างปัญญานะ เอ่อตรงนี้ท่านจะต้องดึงความเข้าใจที่ท่านเข้าใจอย่างไม่ถูกตรงกับความ อ่าแล้วก็ค่อนข้างจะมีความหมายว่าอารมณ์ทางโลกนั้นๆเนี่ยเราก็ ปะนั้นอารมณ์ในทางโลกที่หมายถึงความรู้สึกคือหมายถึงตัวรู้นั่นเองอ่ะแต่ในทาง จะผ่านมาทางตาเป็นรูปารมณ์ผ่านมาทางหูเป็นสัททารมณ์ผ่านมาทางว่าอารมณ์เป็นคนจิต ที่ทําหน้าที่เป็นกัปปตุรูปเต็มจิตอยู่ในตัวท่านอารมณ์อยู่นอก แต่ถ้าธาตุรูปนั้นทําหน้าที่เป็นอารมณ์อย่างเดียว เป็นจิตก่อนหน้าจิตหลังนะจิตนึกเนี่ยเป็นจิตหลังจิตถูกนึกรู้เราก็ตอบได้ว่าจิตที่นึกถึงคือ เขามันก่อนหน้าที่มันจะมาถูกรู้เป็นลักษณะของลูกโซ่นั้น นึกถึงความโปรดของคนอื่นนึกถึงอคติของคนอื่นนึกสันตติแปล ที่ลูกก็สืบต่อได้แล้วน่ะแปลว่าจะต้องมีการเกิดดับเช่นกระแสไฟที่ อย่างนั้นน่ะเกิดดับสืบต่อกันดวงเก่าดับๆ เซลล์เก่าดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเซลล์เก่าดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นจนกระทั่งตายเลยครับไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยเก่าดับไปใหม่เกิดขึ้นเก่าดับไปใหม่เกิดขึ้น อย่างที่เรียกว่าดํารงลักษณะเก่าที่สําคัญเอาไว้ นึกว่าลูกลิงลูกข้างไอ้นี่มันขนเต็มตัวเลยจมูกก็บี้แบนนี่พอโตแล้วทําไมไม่เป็นอย่างนั้น แต่ตามพระธรรมนั้นได้ที่เห็นตรงนี้ว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาได้ไม่มากเหมือนต้องอยู่ในกรอบของการสืบต่ออยู่บนพื้นฐานเดิมถ้าเช่นชาตินี้ แต่ถ้าเกิดใหม่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากคนพิการไปไม่พิการหรือปัญญาอ่อนก็ต้องอ่อนไปจนตาย เรเราก็ได้อัตภาพชีวิตจิตใจอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุก เกิดดับตลอดไอ้อย่างเช่นท่านฟังในจิตเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่อ่าเราอาจๆที่เรียกว่าจิตเปลี่ยนอารมณ์จากเห็นไปเป็นได้ยินนะอ่าเปลี่ยนความ ไม่เริ่มสายจากไม่เริ่มไปจะเป็นเริ่มสายจากไม่รู้ๆแต่เปลี่ยนของจิตเนี่ยเปลี่ยนละเอียดมากเร็วว่าบรรดาความเคลื่อนไหว ไวยน้อยกว่าความเคลื่อนไปของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดานะเทวดาในรวมทั้งโกร้มด้วยความเคลื่อนไปของเทวดา ถ้าถามว่าเราจะเห็นอย่างขั้นนั้นได้มั้ยบอกเห็นได้การจะเห็นนั้นเราไม่อาจเวลานี้นะครับเรายังไม่อาจที่จะเอากล้องมาส่องดูในทางศาสนาก็มีวิธีมันเองก็มีความว่องไวมีอลลยภาพมากไอ้เมื่อ ของสังขารธรรมในตัวเราเองอันเรานี่ถึงว่าเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเราไม่เห็นนั้นเราการละคลายความเห็นแก่ตัวเห็นจะได้ละคลายความโกรธเรียกว่ากิเลสอะไรทั้งหลาย มีบทเรียนชื่อว่ามีพระไตรลักษณ์อย่างนี้อยู่ในตัวทุกคนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า ทางพระพุทธศาสนาได้ประกาศจิตแยกจากความเข้าของชาวโลกและลัทธิศาสนาอื่นที่พยายามอธิบายจิตนั้นเป็นอัตตาโสตเจ้าบอกจิตเป็นอนัตตาเอ่อที่พวกอื่น 5 อธิบายว่าจิตเป็นอัตตาเนี่ยบางทีเค้ารู้ว่าจิตเป็นนามธรรมบางพวกก็ไม่ ฝรั่งยังพยายามศึกษาเรื่องจิตยังอธิบายว่าจิตมีรูปร่างแต่ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเป็นสันตติเพราะความเป็นสันตติเนี่ยถามว่าเราบังคับเช่นเราโกรธเนี่ยง่ายๆที่ทีแรกโกรธแล้วบอกว่าถ้าสมมุติเรา เมื่อเรารู้ว่ากูสรรค์จิตความสุขความสบายที่เกิดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นโลกธรรมที่หมุนเวียนไปตามวาระของมันเมื่อเกิดแล้วเนี่ยสุขเราอยากจะให้ เรเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเบาตัวไม่ได้เยอะล่ะเพราะบังคับไม่ได้มัน ใครจะไปสรรสร้างก็ไม่ได้ยังยกตัวอย่างนี่นะว่าการได้ยินเกิดจากเหตุปัจจัยง่ายๆ4 มีเหตุปัจจัยนี้มาประชุมพร้อมกันที่ไหนกับใครคนนั้นก็จะได้ยินเมื่อนั้นจะบังคับไม่ให้ได้ยิน เพราะการได้ยินนั้นเป็นจิตอย่างหนึ่งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แล้ววิธีการแก้ไขเนี่ยท่านจึงไม่สอนให้เราไป ทำลายเหตุอ่าอย่างเช่นว่าเราจะไม่ให้คือไม่อยากไปแล้วยังหนีเสือป่าจระเข้นี่ท่านบอก ที่เลือกเลือกดีแล้วเลือกมากก็ไปได้แหละเลือกนักปัญหา 1 บอกว่าก็เมื่อจิตของเราเป็น มันอนัตตาก็ปล่อยให้มันโง่ดักดานไปตามเรื่องไปดีผมผมจะมาพูดธรรมะทําไมจะไปทําบุญทําไมจะมาละจนแล้วจะไปอยากรวยทําไมก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องตามรางมันมาอนัตตานี่ใช่มั้ยเข้าใจมั้ยมันอนัตตาใครอาจจะไม่ตอบตอบยากนะตรงนี้เพราะ ปรัชญาของอาจารย์จงรักเอ่อตอบจริงทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาเราศึกษาด้วยเหตุผลแล้วเห็นเป็นอนัตตาๆครับไม่ใช่ตัวนะก็ เพราะที่เราเอ่อละตัวเราเป็นอนัตตาแต่เมื่อเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเรามีความยึดถือก็เลยทุกข์ได้นะใช่มั้ย นำความรู้สึกผิดที่เป็นวิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาออกออกให้ได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละครับ สิ่งที่สุดแห่งทุกข์ถามว่าไอ้เนี่ยทํากับอนัตตาข้อเท็จจริงว่าผมก็เลยถาม ไม่ได้ทุกข์ก็ยังรู้สึกว่าเราทุกข์ต้องเอาอภารกิจที่เราต้องทําคือเพื่อดียาเจริญพัฒนาตัวเองทั้ง เราไม่ทุกข์อยู่แล้วทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์แล้วถ้าคนทําอย่างนี้ได้ก็ต้องไปนิพพานกันทุกท่านมีๆนะเพราะว่า แล้วเพราะการที่ท่านนําเอาความยึดออกได้เมื่อท่านตายความเป็นไปของจิตนะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงความจริงไม่ ความหมุนเวียนของจิตหมุนเวียนของจิตเขาเรียกว่าเป็นสังสารวัฏของจิตความหมุนเวียนน่ะหมุนเวียนอย่างชีวิตเราตาที่หูที่จมูกคิดนึกในเรื่อง 6 ทาง สมมุติอะไรก็วานสมมติเมื่อ 6 ทางเนี่ยถ้าเราไม่รู้ธรรมะเลยแล้วๆไม่ได้คิดที่จะหรือทางจิตแต่ถ้าเรารู้ธรรมะ เกิดอารมณ์ที่จะเสพอ่าหรือเลือกเดี๋ยวที่จะกําหนดจิตว่าให้มันอยู่ทางทวารไหนเนี่ยตอนนั้นก็ต้องปิดตาๆที่เป็นเรื่อง ท่านก็ให้กำหนดจิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นสิ่งเครือกูลต่อการเจริญจิตใจที่เรียกว่า ในการดูต่างๆเราเอามาใช้ชีวิตในชีวิตประจําได้เออจะใช้ในหลักเบื้องสูงก็ได้เช่นเดียวก็แล้วแต่ว่าใครจะทําได้แค่ๆอัน แต่จริงๆพเนจรทางตาทางหูก็พเนจรเหมือนกันแล้วก็พเนจรไปในอัตภาพๆในทุกภูมิต่างๆเช่นเดี๋ยวนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเราหนึ่ง จากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งพบ 1 ไปสู่พบ 1 ตายจากนี้แล้วก็ไปเกิดพบใหม่ชาติ การที่เราได้มาเป็นเพื่อนมาชอบมาพ่อกันก็เป็นเพียงจุดหนึ่งนะอ้าวถ้าว่ากันแค่ช่วง เดี๋ยวเราก็กลับบ้านพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะอยู่ไปอยู่ไปก็เอาแค่อยู่ด้วยกัน เมื่อก่อนท่านทํางานอยู่ที่หนึ่งท่านอาจจะอยู่ในสังคมๆๆย่อยๆหมุนเวียนกับการประจวบ เป็นคล่าวๆไปในแต่ละพบแต่ละชาติก็ร้องไห้กับตัดกับคนเป็นเนี่ยนี่เป็นข้อเท็จจริง แน่นอนเหลือเกินเพียงแท้เหลือเกินเป็นตรณะที่ดีที่สุดของเราเหลือเกินน่ายึดถือเลยครับเหมือนขี้ผงแล้วขนาดโลก ไปควานซื้อที่ดินในโลกอื่นไปยึดถือกัน ไกลซึ่งเราจะได้บทเรียนไปถึงซึ่งเราก็จะได้บทเรียนซึ่งเราจะได้บทเรียนมองเลยไป 2 บทเรียนนี้จะทําให้เราเห็นชีวิตในปัจจุบันทั้งเรานั้นนิดเดียวจุด ใครมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วความคิดจะไม่โน้ม ตนการไอ้หยุดเวียนว่ายตายเกิดก็ได้แก่จริงอยู่เรื่องนี้ในความสำนึกของอย่างเราๆโดยทั่วๆไปปีๆไปพบ สติปัญญาเลื่อนความรู้สึกลึกและเมื่อเราสูงขึ้นไปขึ้นไปเราจะเห็นคุณค่าของอ่าธรรมะ ไปเรื่อยๆอันนั้นล่ะถือเป็นความก้าวหน้าในทางธรรมตอนนี้การรับรู้ ตั้งอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นจิตเกิดที่นั่นขณะที่เห็นจิตก็อยู่ แล้วก็ดับทีนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ดับทีนั้นจิตของเราน่ะเป็นอย่างนี้ความนึกคิดแต่ละอย่างถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจะทําให้เนี่ย เราก็ให้ทราบนักเกณฑ์ว่าจิตที่มันมีพลังเอ่อ <ม. S 1> พลังในตัวมันเองอ่ะถึงบอกว่าเราทุกคน เกิดสืบต่อกันไปทุกคนมีเหมือนกันหมดแม้แต่เดรัจฉานก็มี ถ้าอยู่ๆ25 ปีเกิดหมดพลังตายก็ไม่ใช่ดีครับพ่อแม่ร้องไห้บุตรภริยาสามีร้องไห้ตายไปเกิดใหม่ก็ 1 ชาตินึงคณิกการมีคนมีเท่าไหร่ไปจัง ก็ต้อง 100 กว่าแล้ว 89 89 ดวงได้ไงหรือเพิ่มพิสดารเป็น 121 ดวงก็ยังน้อย 5-6 พันล้านใช่มั้ยแล้วจิตมัน 2 อย่าง อ่าว่าถ้าถามโดยบุคคลน่ะโดยบุคคลหรือเรียกเป็น<ด> 200 คน 200 ดวง เกิดอีกกี่ชาติอีกกี่ชาติก็ถือเป็นดวงเดียวของการอบรมการทําให้เสื่อมการทําให้เจริญสืบ มีดวงพระพุทธเจ้าแปลว่ามูสัตว์ประมาณไม่ได้นับไม่ได้อนันตังแปลว่ามูสัตว์นะใน จักรวาลอันอันตังจักรวาลก็ไม่มีที่สุดจักรวาลที่ลอยอยู่ในอากาศไม่มีที่สิ้นสุดพุทธญาณอันอันตังความสามารถ เพราะว่าน่าจะยิ่งกว่านะอนาถในบ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์เท่าไหร่แล้วอ่ะนั้นพลสัตว์มีมากมายเหมือนกับอวกาศเหมือนกับ ทำไมจะต้องมานึกคิดว่าจะต้องมีสัตว์โดยเฉพาะใน ไม่มีเหรอครับที่เสือมาเกิดเป็นคนไม่มีเหรอครับที่งูซึ่งเป็นไปด้วยอํานาจแตก ชาตินี้ต้องเป็นงามเกิดมาชาตินี้ต้องมีอคิเลศชาติหน้าต้องมีกิเลสเกิดมาชาตินี้ชาติตระกูลสูงจะเนี่ยตํารันจํานวนจิต ท่านจึงพูดโดยประเภทออก Aquí vorhand,ología díos, para como si v phrases yession i xerivas de样 will be a starter plan ir tsche Beenampulado Asta projeto de file exards díos 28.5 10.5 20.5 21? de out lane i cu rallies y heavier at night its happened to the sav tax amいきます. Uyür ichi te vers cherry at it is on the same on the shared norm of Petrokot and other weekends. Teard call was toでは notワ조 а m บางอย่างเนี่ยถือว่าเป็นประเภทจิตสากลในหมู่สามัญชนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นความ ยังพอระเพศมีมั้ยมีจะนับถือศาสนาเช่นความสงสารการเผื่อแผ่แบ่งปันสัตว์เดรัจฉานก็มีเช่น Tamna zit